ต่างกันฉันตาจะพูดให้ฟังฟังธรรมก็คือฟังเรื่องของเรานี่แหละเรื่องของคนเรามีกายมีใจนี่แหละเป็นเป็นกายเป็นใจมันไม่แตกฉานถ้าเห็นมากกว่ า, า น, นั้นเหมือนกับผู้มีการศึกษาเหมือนท่านทั้งหลายที่มีการศึกษาเรื่องแพทย์เรื่องหมอเขดูคนป่วยก็รู้ว่ า, าเป็นไรเครื่องจะถามแล้วมันก็รู้ เมื่อรู้แล้วก็หาสมมติฐานของโลกเมื่อเห็นสมมติฐานของโลกให้อย่ามันจึงจะสําเร็จการรู้สมมติฐานของโลกสําคัญการเห็นธรรมคือเห็นปฏิจจสมุป บ, บาทเห็นเหตุปี่เนื่องด้วยกันมันหลงมเพราะเหตุใ ด, ดมันทุกข์เพราะเหตุตา ด, ดมันโกรธเพราะเหตุใ ด, ดแล้วก็รูส้สมมตฐานเวาโกรธต่อไป แจ้งที่เหตุจึงใดเกิดจากเหตุสิงนั้นก็ดับที่เหตุนี่ เ, น เ, เรียว่าเห็นแจ้งหนารู้จักตัวเราเนี่ยจงรู้จักตัวเองคำนี่หมายถ้าค้นพบเที่ยวได้ไหนตัวท่านหานอกตัวทําไมไม่ป่วยกันดกปัวบานอยู่ในเราอย่าเข่าฝ่าไอดอกปัววิม่หีที่เอกุดพวกมนุษย์ค้นหาหมาให้ได้ การตัดสู้หรือรู้สิ่งใดๆดล้วนมาจากความรู้ตัวเราเองนั่นเห็นแค่ตัวเราเนะเรามาศึกษาสิกขาไม่ใช่มาเรียนรู้มาศึกษางาศิกขาไตรสิกขาตามหลักของธรรมะที่ว่าไตรสิกขาสิกขาและธรรมเป็นเรื่องชีวิตสิกขานี่คือไม่ใช่เรียนรู้เป็นการฝึกหัด เป็นการฝึกหัดทำให้เป็นทั้งเป็นทั้งทำได้ทั้งเห็นได้นั่นใจแล้วก็มีของจริงมีการมีใจใกายมาละความชั่วเอากายมาทำความดีเอาใจมาละความชั่วเอาใจมาทำความดีทำได้ ท, ทันทีมาฝึกหัดทำให้เป็นเวลาวันหลงไม่รู้คำเป็นหรือยัง เราคนหลงที่ไดรู้ทุกทีที่แรกก็หัดถ้าหัดเป็นแล้วก็ไม่ต้องหัดมันทําเป็นแล้วอยากให้มันหลงอยากให้มันทุกอยากให้มันโกรธอยากให้มันไม่ปัญหาจะได้มีปัญญาเพราะสิ่งเหล่านี้นี่คือศึกษาคือฝึกหัดแลต่มักก็ทําได้ปฏิบัติได้ให้ผลได้ไม่จํากันการในตัวเรา ไม่ต้องเป็นการบ้านทำเสร็จตั้งแต่บัดนี้ถ้าทำไม่เสร็จก็เป็นการบ้านเรื่อยไปรับใช้ความหลงรับใช้ความทุกข์รับใช้ความโกรธรับใช้ความักรับใช้ความชั่งไปจนตายมันจะต้องเป็นเช่นนั้นเลยมันต้องทำได้นะเราจึงมาฝึกหัดให้ทำให้เป็น้าทําเป็นเหมือนกับเราสอนหัวสอนขวายเทียมข่าเตรียมล่อเทียมเกียน ถ้าหัดเป็นแล้วก็ไม่ต้องหัดอีกจับขวายมาเทียมไถ่จับครัวมาเทียมเกวียนหัดช่างหัดกกว่ากมวนกันหัดเป็นแล้วมันก็ใช่ได้ไม่พยศชีวิตของคนเราน่ยก็ใช่ได้จริงๆเป็นสัตว์ประเสริฐไม่พยชน์ที่ว่าช่างนิพพานหน้านิพพานวัวป่วยนิพพาน อันไหนไม่ได้นิพพานไม่ถึงนิพพานก็ใช่ไม่ได้ข้าวมันร้อนมันยังกินไม่ได้ให้ข้าวมันเย็นแจ้งมันร้อนกินไม่ได้ให้แจ้งมันเย็นแตเย็นเนี่ยเขเรียกนิพพานไม่ใช่วัตถุนะนิพพานเป็นนามธรรมเป็นเราชีวิตของเรานี้แต่เรียกการเปรียบเทียบคนภาคใต้จากข้าวร่อเขาบอกให้ข้าวนิพพานก่อนลูก หิวข้าวลูกร้องให้จิ้ข้าวแม่บอกว่าข้าวยังร้อนจิ้ข้าวนี้ผ่านก่อนหลังถึงให้เย็นก่อนชีวิตของเราเนี่ยมันต้องหมดพิษหมดภยัยมันก็ทาได้อย่าปล่อยให้เป็นทุลักาละเป็นภัยเจตัวเองชีวิตที่ทําได้สําเร็จต่อไชีวิตไม่มีภยัย เรีว่าพระอริยะบุคคลอริยะแปลว่าอริแปลว่าฆ่าศึกยะแปลว่าไปไปจากฆ่าศึกแล้วพ้นจากฆ่าศึกแล้วไม่ทุกข์ไม่โกรธไม่โรคไม่หลงแล้วไม่วิตกกังวลเศร้าหมองแล้วอย่างนี้อมันทําได้จริงจริงที่นี่ขอท้าทายเรื่องนี้พิจาจะช่วยคนในเรื่องนี้อย่างเต็มที่ แต่ช่วยเวลามันนั่งมันเดินไปไหนมาไหนไม่ได้จะไปช่วยมันตอนที่มันตายหายใจเงียกสุดท้ายจะลยบอกมันนิวานก็มีคนโทรม า, จ า, ารจากเชียงใหม่ก็เลยถ้มีโอกาส ก, าก็อยากไปดูมันทุกทุกว่าเวลาเจ็บไข้หรือป่วยมันต้องเป็นอย่างนั่นเลยออะไรก็ทุกอะไรก็ทุกเหลยมันสัตว์ประเสริฐอย่างไรชีวิตของเราเนี่ยต้องก็ขนตนเอง เวลามันหลงรู้อย่างนี้ก็มีงานอย่างนี้เราก็ทำงานแบบนี้ไม่ใช่มันฟรีเราทำอย่างนี้มันทุกข์ก็รู้มันปวดมันเมื่อยก็รู้อ่อยยอนุปจนาเห็นกายเห็นเลวก็เห็นแจ้งจนเห็นกายสักว่ากายไม่ใช่ส์ดุกคนตัวตนเราเขาเห็นเวทนามันเจ็บมันปวดมันสักว่าเวทนา ตอบคุณเวทนามาแช่เวทนามาเป็นสุขเป็นทุกข์ถ้าไม่มีเวทนามันก็ช่วยตัวเองไม่ได้อันธรรมชาติยอดเยี่ยมมากแต่เราไม่รู้จักช่วยตัวเองซั่มเติมบางทีเวทนาไม่มีก็ไปหาเวทนามาใส่แล้วโมยยาหาความองความหลงปวดโลคหลง คนโกรธก็พอใจในความโกรธไม่อยากจะลืมมาชิดแล้วชิดอีกย้อนชิดเรื่องเก่าอีกลืมไม่ได้คนทุกข์ก็ไม่รู้จักลืมคนหลงก็ไม่รู้จักลืมคนมียาเสพติดเพสร้างความหลงมันก็ติดได้พอใจในความทุกข์พอใจในความโกรธพอใจในความรักความชังทำตามความรักความชังเสียหายเพ่าความรักความชังมามาก ทงควมลักโมลาลักโจรผู้ไยให้ลักจันทโครลบจันทโครลบเป็นสามีพ่อของโมลามอบให้จันทโครลบมอบลูกสาวคือโมลานี้เป็นรางวัลในการเรียนเก่งจันทโครลบก็พาโมลากลับบ้านโจรมาปนมาฆ่าจันทโครลบก็เรียนวิชามาอย่างดีช น, นะโจรเหลือแต่หัวหน้าโจร หัวหน้าโจรเด็กคนสวยคนงามขาวสูงจันทคุลบก็ลบกับโจรจันทรคุลบก็เอาโจรล้มลงไปแล้วขอดาบกับกองลาทหารโจรทำมันตายซะเดินหัวหน้าโมพ่อแม่ไม่ให้ตายเอาหัวหน้ามันตายซะเอาดาบมาฟันมันซะจันทรคุลบขอดาบจากโอลาโองลาก็มองเห็นโจรสวยกว่าจันทรคุลบเปิดลักโจรทันที โงขาจันทกุลบเนี่ยดำดไม่สวยโจนสวยกว่าเกิดความรักโจนนันทีแทนที่จะยืนย่นดาบให้จันทกุบยื่นดาบให้โจนเหรอโจนก็ดาบฟันจันทกุลบตายเลยเอาลาขึา้นเสนอตัวเป็นเมียโจรโจนน้งก็ด่าบ อ, อ่ยชาติหมาตั้งแต่สามี์มึงฆ่าได้กูจะเอามึงทํงาไม มันต้องอยู่ในตรงในป่าให้มึงตายอยู่ในนี้แต่แล้วพวกโจรก็หนีจากไปปล่อยโมลาอยู่หลงอยู่ในป่าตามโมลาก็ตายเป็นอย่างเชนนี้อันนี้นิทานนี้ทมกันเล่ากันมาความจังก็เหมือนกันทำตา ม, ามความรักทำตา ม, ามความชันทําความความโกรธเขี่ยเรียบความโกรธมาเ ม, ามื่อตาลุ้นตาไหลต้องให้เสือใจอ่ะ กองขอน้อยครัแม่จังหวัดรัโยทนหิวขา้าวเวลาหิวมักจะใจเสาะใจเปาะใจบางเป็นความหิวเป็นความทุกข์ถ้าเราศึกษาดูแล้วความหิวนะ่าขอบคุณมันถ้าไม่หิวมันจะตายทำไมไปทุกข์ขอบคุณความหิวแต่กองขอน้อยไม่รู้เรื่องนี้ก็หิวขา้าว แม่เข้าไปสงกองน้อยๆคิดว่าตัวเองจะกินไม่อิ่มโตรทั้งที่ไม่กินข้าวก็ไว้เยี่มแล้วเวลาหิวอะไรก็เล่นช่างโท่หมาเนี่ยผมโกรกเหมือนกันเวลาก่อกข้าน้อยหิวก็โกรธแม่ก็บอกให้กินอิ่มอยู่อิ่มอยู่ลูกเอ้ยบุกก็โกรธ ทำงานเหนื่อยก่องเข้ามอจงหน้อยๆไวจะอิ่มโกรธด้วยความโกรธเอาแอบน้อยตีแม่ตายเลยตอนแม่ตายมาจิ้ข้าวเท่าไม่หมดเลยอิ่มแล้วเสียใจจะเอาแม่คืนก็ไม่คืนแล้วเวลาก็เจะาสามีคืนก็ไม่ได้แล้วตายไปแล้วนี่ทําตามความรักทําตามความโกรธมาขนาดนั้น ไปเห็นมันซะทำให้เป็นเวลามันโกรธเปลี่ยนไม่โกรธมีปัญญาตรงนี้เวลามันทุกข์เปลี่ยนไม่ทุกข์เวลามันหลงลักหลงชังเปลี่ยนไม่ลักไม่ชังให้ปกติให้ได้จิตใจต้องอยู่วนปกติอย่าผู้ฟูแพร่แพร่ทําให้มันเป็นฝึกให้เป็นเราไม่ใช่อยู่คนเดียวในโลกนี้เพื่อการนี่โดยตรงถ้าทําไม่เป็นเรื่องนี้ชีวิตต้องชาติไม่มีความ หมุกล้มเปลียนเลยมาตามคําเครียดแต่โรคนี่มันก็ไม่ใช่อยู่เหมือนเดิมมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเป็นแรงมากขึ้นไล่มากขึ้นหลายๆอย่างผู้คนก็ห่างไกลกันออกไปไม่ค่อยได้พึ่งมาอาศัยกันต่ออะรแต่นี้ก็มีไข้หวัดหมูกำลังขยายไปข้ามทวีบมันตรายตมนุษย์จะ็เพื่อได้ป่วยหลายอย่าง เราต้องศึกษาธรรมะมันคบวงจรท์คบผงจรว์รูจกราเทสะไม่กู้ว่ผลเหมืนผันแล่ น, นมีสติยับยั้งทั้งจิตทำให้มันเป็นนี่คือการศึกษาเราใช่เรียนรู้เรียน ร, ร, ยนรู้ไปเรียนปฐมโน่นเอาไก่ขอไข่น่ น, นมีแต่ความรู้แต่ยังมีทุกข์มีโกรธมีโลภมีห ล, ลงความรู้มันใช่ไม่ได้บางด่าง ต้องหัดให้เป็นหัดให้เป็นนี่ไม่ใช่ความรู้ทําเป็นแล้วเนี่ยต้องหัดจิตจัดใจของตนเองถ้าไม่หัดมันทำให้เป็นมนนนานซุกซนซุกซนตอก็ซุกซนงูก็ซุกซนจมูกดิ้นกาะใจซุกซนเั้นมีพิ่ขยันของเขา ตาก็หาอาทางหนึ hehe, ่งหูก็หาทางหน jam, ึ artists, ans, <sozial coin. S 1> ่งจมูกก็ไปทางหนึ่งลิ <Alberto> ้นก็ไปทางหนึ <ortal> <tab> ่งกายก็ไปทางหนึ่งใจก็ไปทางหนึ่งเราต้องหาป้อนมันสอกสอกสกเหมือนนกเหมือนสัตวชนิดมาผูกใส่กันต่อเหมือนงูงูเหมือนนกจมูกเหมือนจระเข้กายเหมือนจระเกแดนบ้าน จำไว้ได้ภาษาคาพูดนกก็บินขึ้นฟ้าจเจร่เคก็ลงน้ำโอตาเหมือนงูหูเหมือนนกงูก็จะเข้าจอมปลวกจะนกบ้านก็จะวิ่งเข้าบ้านจะนกป่าก็วิ่งออกป่าใจเหมือนลิงแต่ดิ่งไม่เป็นหลอกแหลกหลอกแหลกจัดกช น, นิดอะไรมีกำลังก็ดึงกันไป ตายม่กำลังก็ไปกับตาลตงหนังลงละครที่ได้อดหลับอดนอนไม่ไหวแต่ลิ้นมีกำลังก็จะไปตามลิ้นชอบกินเหล้าชอบกินอาหารนอกบ้านก็ไปดึงเงินไปเลี้ยงก็จะขึ้นต้นไมกอยู่นิ่งไม่ได้เหมือนใจถ้าเราไม่ศึกษาไม่ฝึกหัดมันก็เป็นจอด มนุษย์ชาตโตมนุษย์ชาดิละชาโนมนุษย์ชาทโวมนุษย์ช า, า, านะเราโตโลกมันโตโลกเป็นเป็นจัตเป็นชั่วกายมันเป็นเปร เ, เป็นอะไรได้ถ้าหัดมันเป็นพระมันหัดได้สอนได้นี่แหละถ้าให้เป็นเวลาตาเห็นลูกสักว่าเห็นไม่ได้พอใจไม่ได้ไม่พอใจหูที่เหนเสียงก็สักว่าได้ยินไม่ใช่พอใจไม่ใช่ไม่ Preis พอใจ สอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกความพอใจเป็นลดของโลกความไม่พอใจเป็นลดของโลกสอนออกมาไม่เหนือโลกอยู่เหนือโลกความพอใจและความไม่พอใจในโลกจะได้มีสัมผัญสมีสติแล้วแล้ยอยู่เนี่ยเราก็ทําอย่างนี้เปลี่ยนความหลงเป็นความรู้คน้คนจากความหลงเป็นความรู้แล้วเปลี่ยนลายเป็นดีแล้วเลือกปฏิบัติธรรม เปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนความโกรธเป็นความไม่โกรธผนแล้วเป็นมรรคแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเป็นมรรคทำแล้วแล้วเป็นผลถ้าไม่เกิดมรรคเกิดผลตรงนี้มันจะไปที่ไหนเกี่นไว่าใจเกิดจุดที่นี่หลงเล่าหลงอีกทุกเล่าทุกอีกถ้าเป็นมรรคเป็นผลมันก็จบไปจบไปแล้ว อย่าคิดว่ามักผลนิพพานมันไกลเกินไปอยู่ในลมหายใจเรานี้เย็นได้ในเตาหลอมเหล็กเตาไหนที่มันร้อนเย็นใจใจมันต้องไม่เป็นอะไรอย่าเอาอะไรมาต่อรองใจิตใจหัดให้เป็นใจต้องปกติเข้าถึงความปกติอยู่เสมออยู่ที่ไหนก็ปกติไม่ใช่อยู่กับสิ่งแวดล้อมมักผลนิพพานอย่างดอกกุฏะธรรม มาใช้อยู่ภาคภาคอยู่ที่ใดเป็นเรื่องของเหล่านี้หายใจเข้าหายใจออกโลกรุตลรธรรมคือมรสีผลสีนิพพานหนึ่งโลทุตละธรรม9้ามรสีผลสีนิพพานหนึ่งมรสก็คือเห็นอะไรที่มันเกิดขึ้นกับที่เป็นปัญหาเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นโลเป็นโกรกเป็นหลงเห็นแล้วเปลี่ยนร้ายเป็นดีเปลี่ยนได้แล้วเป็นผลก็เป็นมรสที่ชีมลองเป็น ผลที่เกียมลองอย่างที่เราสวดมนต์สวดขอทองเป็นวิเทยาาสโสดาปฏิมรักโสดาปฏิผลสติาสาาขามีมรักสติขามีผลอนาคามักอนาคามีผลอรหันตมรักอรหันตถผลผู้แห่งบุรุษสี่ผู่นักเหลียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษหรืว่มรักสี่ผลสี่เรเปลี่ยนร้ายเป็นดีหลือว่านิพพานเย็นไปแล้วหยุดไปแล้ว เขาอยู่กับเราทุกชีวิตเนี่ยถ้าไม่มีเดี๋ยวนี้มันจะไปตายแล้วมันจะได้อย่างไงนิพพานปจัจโจโหตุอนาคาเตกาเล่ห้อให้ได้นิพพานนนาคตการเบ้่งหน้านุ้นเถิดไก่เปนไหเนาะเปิ่งหน้านี่ขี่พบกี่ชาติอยู่เดี๋ยวนี้นะอยู่ใกล้ใกลเนี่ยอนาคาเตกาเลยมักสีฝนสีเปลี่ยนร้ายเป็นดี ให้มันทำเป็นทำให้เป็นเหมือนกับท่านหลายที่เรียนอะไรมาเรียนแพทย์เรียนหมอมาอสีจา ก, ก็เป็นไม่ไดูจะเก็บอะไรเลยหมอดีมือนิ่มน้าใจดีมองเห็นหน้าก็โอ้ยหายแล้วโลกเด้อหลงตามมองเห็นหน้าพยาบาลอยู่น้องไอซมองเห็นหน้าหมออุดมศักด์ที่เป็นผู้ช่วยดูโรคหลงตา เห็นหน้าหมอเย็นแล้วไอ้เล่าครึ่งหนึ่งแล้วหมอพูดออกมาครั้งเดียวก็รู้แล้วแค่นี้เยอะวยาไม่ได้ยังไงถ้าตายอย่างนี้มันจะมีอะไรถ้าโรคอย่างนี้มันตายง่ายเมียก็มองหน้าก็ดีใจจับอะไรต่างๆถูกต้องไปฉีดยาพืชกระตุ้น เม็ดเลือดขาวไปขีดจ่ากระตุ้นเม็ดเลือดขาวมันรดวขีโลดให้จีโม่ให้จีโ ม, ม่แล้วเม็ดเลือดขาวตายหมดเลยเม็ดเลือดแดงก็ตายหมดเลยหมอต้องกังวลเม็ดเลือดขาวไม่ขึ้นเลยเลือดแดงก็ไม่มีเลยต้องขีจ่ากระตุ้นแล้วก็หมอขีจ่าให้ไม่ดูจะเก็บเลยเพราะ ทำเป็นน้ำใจดีน้ำใจดีมือก็นิ่มอะไรก็ดีเพราะนั่นเราเนี่ยเราจะต้องไปช่วยกันเป็นเป็นบุญจริงๆเดี๋ยวนี้หลวงตามองพยาบาลมองนายแพทย์เหมือนเทพประบุทธเทพธิดาเลยทีเดียวลงไปบานเหมือนมังสวรรค์ของเราเลยไปโรงพยาบาลจุฬาที่ใดเนี่ยข็นอนห้อง เขาก็ให้นอนมาลู้จักกันอยู่นั่นสองปีเวลาไปพักรับยาเวลาไปพักตรวจโรคก็ขอห้องหอห้องนอนบางทีเขาเอาข้าวมาฉันด้วยอันเหมือนสวรรค์ของเราไม่มีอะไรที่น่ากลัวน่าเกลียดเห็นหมอเห็นไว้บานเห็นพนักงานเจ้าที่ทุกคนคนเขียนรถอห้ามให้เราล่างรถ เข็นไปผวดเฉ็นไปนี่โอ้ยโชคดีน้องผูป่วยได้นั่งรถเฉ็น้าไม่ป่วยไปนั่งรถเฉ็นได้นอนก็ม่มองคนทุกคนเหมือนพุทธเจ้าทุกคนเป็นผู้เจ้าแต่วันนี้เขามายังไม่เป็นพรุ่งนี้รอก่อนพรุ่งนี้ยังไม่เป็นอีกเดือนหนะ้าเขาจะเป็นเดือนหน้าเขายังไม่โอ้ยปีหนะ้าเขาจึงจะเป็น ในปีหนะ้าเป็นกฏชาตินะเราจะม <c oughs> องเยา้ๆจะไปทำสั่นสั่นตัดจิใจไวๆวตรวนรอบตรวจประเสธไม่ได้มองคนทุกคนเหมือนเป็นกระเจ้าอยู่ไหนมีนิพพานอยู่ที่นั่นเย็นเย็นความเย็นใจนี่ไม่ใช่ขอใครทำเองปฏิบัติได้ น้ามือหลังมือความร้อนมือหน้ามือความเย็นมันหลังมือนี่เปลี่ยนนันเด็หัดให้เป็นตรงนี้เย็บวปฏิบัติธรรมนะถ้าไม้เปลี่ยนอย่างนี้จะนั่งอยู่หลังขนหลังหงอก็มีประโยชน์เลยแล้วก็เปลี่ยนมันหลงเปลี่ยนเป็นรูปมันหลงเปลี่ยนเป็นรูปอย่าเอาความหลงเป็นความไม่พอใจเอาผมรู้เป็นความไม่พอใจอย่าไปตำเงนือนะปฏิบัติให้เห็นเจยเฉยเห็นมันหลงก็เห็นมันรู้ก็เห็น มันสงบก็เห็นมันไม่สงบก็เห็นมันโสด ก, ก็เห็นมันทุกข์ก็เห็นเป็นผู้เห็นอย่าเข้าไปเป็นเป็นผู้สุดเป็นทุกข์ไม่ถูกนี่คือหลักของการปฏิบัติเป็นนับกว่าวิถีที่ดําเนินไปผ่านได้ตลอดถ้าเป็นเราหยุดแล้วเป็นโุด ก, ก็หยุดแล้วเป็นทุกข์ก็หยุดแล้วไปไม่ถึงไหนไม่ยังไขขุนเจียอย่าโสดยังไม่หลุดเลยถ้าเห็นเราโอ้ไป้นไปแล้ว ถึงขววมไม่เป็นอารารชีวิตของเราจึงมีแต่การกระทาที่ทำได้ด้วยใจหมายสมใจนึกสตินี่แจ้วสารพัดนึกสติเนียเป็นแจ้วสารพัดนึกทาได้จริงจรงสติเนี่ยไม่เกี่ยวกับอะไรทั้งหมดเลยส่วนตัวส่วนตัว